อาจารย์นี้มีนาคมพุทธศักราช 2526 ที่พุทธสถานสันติอโศกเราเป็นยังมีความตั้งอยู่ เพราะยังมีความเกิดชีวิตเกิดชีวะ ยังอาศัยความมีชีวิตความมี ฝึกความเจริญอย่างมีเครื่องขัดเจริญยิ่งใครมีอาการกายอาการวาจาแข็งแข็งแรง สงบตรงงับรู้เท่าทันทนต่อผัสสะและมี ที่วุ่นวายและเห็ดแสบผู้ที่ได้ตนรู้ความจริงว่ายังมีไม่ไม่เป็นน้อยเป็นผู้เป็นผู้ที่ขัดได้ถึงที่เป็นผู้ให้ตนให้ตน และเป็นผู้ขยันเป็นผู้ภาคเพียร อย่างแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงมั่นคงแม้จะ ผู้ที่กระใจแจ้งด้วยสงบ ถ้าเรามาสัมสาในการ กับพระพุทธเจ้านี้ก็ยังจะมีการประชุม ยังจะเป็นไปซ้ําๆตั้งอยู่ มันก็ยังมีประโยชน์มันยังมีคุณค่าก็ยังมีประโยชน์มันยังมีคุณค่า ที่และมันมีผลหรือไม่ตามมาแล้วมันดูด เราได้สังเกตดูกันมั่งคนอื่นเขาก็มีกราบแต่คุณสังเกตไม่ว่าเพียงแต่พวก มันเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากความไม่เข้าใจ ถึงแม้เขาจะพอใจกราบขึ้นมาแล้วบาง เห็นการกลากหรือว่ามาสัมผัสการกลากที่ เห็นมันมีความบรรจงอาการที่น่าเลื่อมใสนั้นมันมีความบันจง ตัดเอาลวกๆๆง่ายๆได้ดายเสียไม่ได้อย่างที่ กรรมนั้นกิริยานั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมี มันมีความจริงอยู่ในนั้นไหมมีความจริงอยู่ในพูดจากความรู้มั้ยอาตมาว่ามัน อาตมาทําตั้งแต่จนตั้งแต่แรกแฟกเริ่มๆมา พระทั้งหลายเข้ากราบเข้ากราบอย่างที่คุณรู้ๆเห็น ไหว้ครูมวยเหมือนท่ามวยต้องมีท่าแม้ลงอะไรก็ได้ท่ามวย แล้วก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ฟังเค้า มันเกิดเป็นคุณค่าหลายคนมาเห็นสัมผัสว่าเรากราบกัน เพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบอันนี้เป็นจารี ใช้ได้แล้วไหว้อะไรเราการเคารพนอบไหว้ยกย่อง แล้วพอใจจะทําแต่พอใจจะให้ต่อทอดแล ไม่มีจริงๆด้วยทําไปสักแต่ว่ามันต้องทําเหมือนน่ะมัน เมื่อเค้ามีน้ำ 10 น้ำใจเข้าไปผนวก คือเราเองเราจะไหว้ผู้ ไม่แม้แต่การตราบทานว่าการมา พฤติกรรมแห่งความเป็นสารัตถะของมันแล้วมัน นะซึ่งภาษาอังกฤษเค้า behavior เนี่ยมัน behavior <c oughs> มันมีแล้วมันเป็น have behavior มันเป็นตัวมี behavior พฤติกรรม behavior ภาษาอังกฤษนี่แปลว่า มันดีละมันมีประโยชน์มีคุณค่าเป็น อาตมาจะตื่นอย่างนี้ไปตลอดตานี่เป็นปัญหาอาตมาไม่ไม่นอกเปเป behavior เป็น จะต้องลงศาลาเพื่อให้คนอื่นต่อไปในอนาคตอาตมาจะก็ เรายังไม่สิ้นความหวังซะทีเดียวว่าท่าน มันมันเป็นของเป็นไปได้ไม่ใช่ของที่เป็นไปไม่ได้ แล้วก็เป็นๆมันเกิดจากปัญญามันเกิดจากความรู้ หลักฐานอิงธรรมอิงวินัยอิงคําสอนอ่าต่อไปด้วย <ม. S 1> แต่เป็นเรื่องที่มีแก่นฟ้ามีสาระมีเนื้อหาอะไรๆไม่ใช่ภาษาหรูหราภาษานักวิชาการเอ่อภาษาสูงๆ รู้รู้สูงๆเท่านั้นถึงจะรู้ไม่ใช่ใครก็รู้ได้ผู้พูด สื่อสิ่งดีอาตมาว่าอาตมาจะมีสินค้าอาตมาจะ อาตมาไม่ได้กล่าวและอย่าว่าแต่แม้ว่าอาตมาจะมาทําให้ แต่ไม่บอกนะว่าฉันแสบไม่ใช่เลยฉันเจ็บไม่ใช่เลยด่าฉันแรงมีว่า อาตมาไม่ได้มาแจกทรัพย์สริงคาร อาตมาว่าอาตมาไม่ได้เป็นซาดิสนี่ยกๆตรวจ ดูก็ไม่ได้ทําทําเพื่ออย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ได้ ถ้าเขามนินทาถ้าเราต้องการสรรเสริญยืนยอบูชา แล้วเอออันนี้เค้าไม่ค่อยพอใจมันมากไป เค้าก็รู้แต่ว่ามันอดไม่ได้ฟัง ถามว่าเสียงร้องคุณจี้ร้องออกมานั่นน่ะเป็น นะอย่างนี้เป็นต้นเราทําเพื่อผลเราพูดก็ดีเราทํางานอะไรลงไปอย่าง อ่านตัวเองดูเราไม่ก็ไม่นี้แม้จะเมื่อย มุ่งหมายดีไม่มีปัญหาอะไรทําไปได้เรื่อยๆอีกก็ๆอีกมานั่งๆมีแก่น แล้วก็มาบอกพวกคุณว่าให้ฟังไม่ได้นะฟังซ้ําๆ ก็สอนอยู่เข้าหลักฉากที่ยานิโยคะเพื่อให้ รู้รู้ตื่นฝูเบิกบานจุดนี้นั่นแหละแม้ ครั้งหนึ่งพระอนลเข้าไปให้สัตว์บางพวกในโลกนี้พระ พระสารีบุตรตอบว่าว่า มันก็ว่าสัญญาฝ่ายๆก่อนสัญญาฝ่าย พระเจ้าอ่านง่ายๆตามแบบ ปรินิพพานในปัจจุบันท่านอนลสัตว์ทั้ง อนิภาคิยสัญญาคือสัญญาฝ่ายเสื่อมนี้เป็นทิติสัญญาคือ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บาปพวกในโลกนี้ ก็ชัดๆดีนะชัดๆทีตะไคร้เข้าใจแล้วก็เห็นเห็น รอบแห่งนิพพานอยู่เห็นอาการของความนิพพานหรือความดับ เรระดับสนิทสัญญาสัญญาที่ระดับสนิทไปแล้วเช่นเช่น ความดับสนิทของสัญญาและเวทนาเขาบอกว่าเช่นว่าดับสนิทของสัญญา คือสัญญาที่เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาแต่สัญญาอย่างนั้นล่ะเค้าเองเค้า คือความระลึกรู้อะไรไม่มีเลยนั่นอสัญญีแต่ที แต่พระเณร 9 ยังไม่เคยถกกับ 10 แต่คําว่าสัญญานิรุตถาโหติการดับสนิทสิ่ง อะไรล่ะกินกินจิตติอ่านัตถิกินจิตติอะไรจะให้ไม่มี อะไรที่ไม่ส่งอะไรดับจะเลิกละเอียด นิโรธธรรมก็คือเห็นชัดดับสนิทมันนิโรธ แล้วทำนี่แล้วเราก็แม้มีโตกีมันดีแล ยิ่งใหญ่ด้วยๆแต่มันก็ไม่ คนก็เลยฟังเพลินๆอ๋อต้องดับสัญญาดับเวทนาดังนี้เป็นต้นความว่า ไม่ไม่มีอะไรรู้ดับไม่มีนิโรธเป็น เป็นอันนี้ก็วิเคราะห์สู่กันฟังอ่าอันนี้ก็อ่านนะ อถันก็ดีนัตถิก็ดีนิรุทธาก็ดีนิโรธก็ดีไม่มีเป็น การทําๆที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้รุทธานิโรธ เพราะว่าไม่ทราบชัดไม่ปรินิพพานก็เพราะอย่างเลยๆหานิภาคิยสัญญาสัญญาคือ สัญญามีการกําหนดรู้หานิแปลว่าเสื่อมปหาน เพราะฉะนั้นรู้ตามความเป็นจริงแล้ว อาการอย่างนั้นเสื่อมไปละนี่ฝ่ายเสื่อมทีนี้ฝ่ายทิฏฐิถอสันฐาน แต่อะไรดับอะไรเสื่อมก็ดับไปแล้วเสื่อมไปแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องการ แล้วก็รู้ความจริงว่าไอ้นี่มันต้องมีนะไม่มี โทษะอะไรวิเศษนั่นเองแต่ว่าภาษาบาลีมันไม่มีสค วิเศษก็คืออะไรวิเศษเราก็รู้ๆ พร้อมพรั่งได้อะไรก็แล้วแต่วิเศษนะเป็นความวิเศษ เข้าใจสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หลงผิด ไม่พัฒนาด่าแล้วก็ทําให้เกิดๆเนี่ยคือๆที่ ที่ใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ได้ขึ้นมาเรื่องของสัญญาฝ่ายวิเศษนี้เป็น ทำวิเศษนี่วิเศษประเสริฐยอดทําได้ศูนย์ อย่าง่อนเงี้ยนอย่านั้นไม่ใช่อย่างดำรงอยู่อย่างง่อน แข็งแรงตั้งมั่นทนทานถาวรไม่เอียงไม่เอียงไม่หวั่นไม่ไหวไม่เป๋ ให้ทั้งเดินไม่ปริเทวนาการพิรีจะอ้อยอิ่งกันอ้อยแล้วพิรี ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาตัดไม่ขาดมีแต่เหยื่อมีแต่ใหญ่งี้ไม่เอา เป็นเป็นๆนะภาษาไทยนะเนี่ยอ่าเป็นเป็นๆตายเป็นตายเออตัวนี้ได้ ได้สภาพนั้นโดยไม่ต้องวอแวไม่ ตัดขาดออกไปน่ะเรียกว่าชําระกิเลสเนี่ยไอ้เราก็ต้องซอกแซกล้างซอกแซกชําระ <นะ S 1> เจาะนิเพทะหมายความว่านิเพทะหรือเวทะแปลว่าเจาะแทงเข้าไป ไม่มีไม่ไม่ต้องเจาะแทงอีกถึง แต่แท้จริงเราไม่ได้อ่านเราไม่ได้ช้ําแรกมันได้สอกแสกลง สี่อย่างนี้อย่างเป็นผู้รู้ชัดเป็นผู้ทราบชัดตามความเป็นจริงเราจะต้องเป็นผู้ ศูนย์เลยเสื่อมยังวิเศษสําคัญนะ 4 4 ความหมายเนี่ยสําคัญ ไอ้โยโยนี่ก็เป็นภาษาไทยนะน่ะไอ้ที่อยู่ก็อยู่ๆ มักอยู่อยู่ๆมันยังอยู่อยู่น่ะอะไรที่จะอยู่มันยังไม่ได้ ก็กินเพื่อให้มันอยู่ทรงอยู่กินมันตามสมควรกินก็ให้มันอยู่ก็ต้องรู้ความจริงหรือแม้แต่กรรมกิริยาแม้แต่พฤติกรรมทรงอยู่ ทำการงานนี้จะต้องดำรงการงานนี้อยู่เพราะอาตมายังมีเรี่ยวแรงยังมีความ มันก็ไม่ๆใหม่ๆเหมือนคนโลกๆโอ๊ยเดี๋ยวจะต้องไป ถ้าท่านไม่เมื่อยอ่ะแต่ว่าจะต้องไปเปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นหน่อย มันจะต้องไปเปลี่ยนเสพอิริยบทใหม่ทําไมนอกจาก ไปทําอันอื่นตัวอันอื่นจําเป็นขึ้นมาไวๆใหม่ๆต้องสัมผัสใหม่ ถ้าเรานี้ซ้ำๆๆนี่มันไม่มีเบื่อนี่มันไม่มีอะไรที่ ถ้าไปโลกเค้าก็ต้องหาไอ้นี่เปลี่ยนไป มันยิ่งแปลกยิ่งใหม่มันก็ยิ่งหลงตื่นตื่นไป เราเองแม้สิ่งที่เป็นสารัตถะเป็นปัจจัยแห่งชีวิต แต่กระทําเพื่อเค้าให้เค้าได้รับของใหม่เรานั่น <R ip> แอบเพลงๆนะ ก็ไปหาเพลงใหม่มา... เพลงใหม่ๆมาหน่อยเถอะก็ หรือว่าแท้จริงแล้วนี่น่ะของเก่านี่ล่ะเค้ายังรับได้ซ้ําไป ไม่ต้องไปหาอีกต้องไปหาอีกเค้ายังรับได้ดีมั้ยล่ะเค้ายังรับได้ดีอยู่ กว่าๆๆ นี่เป็นลักษณะของนักธรรมะที่เราจะพยายามดึง อันผู้ใดที่ยังเห็นว่าสิ่งที่ทิฏฐิติก็ อ่านๆว่ามันยังมีฤทธิ์มันยังมีฤทธิ์ อันนี้ยังเกิดผิดเกิดฤทธิ์นะผิดเนี่ยมาแปลเป็น ถ้าไม่มีฤทธิ์แล้วโอ้ทําเป็นเศษกระดาษหยุดแต่ถ้ามันยังมีฤทธิ์อยู่ มีหานะขานิในส่วนที่มันทําให้เค้าเสื่อมเสื่อมกิเลส เอาให้ละเอียดทีนี้นิพเพทภาคิยสัญญาเอาให้ละเอียด ปริยุทธานกิเลสกิเลสกลางอนุสัยกิเลสกิเลสละเอียดกิเลส ในนัยยะ 4 อย่างนี่ชัดๆอันหนึ่งทำลายหานิก็ เราไม่ต้องไปๆเลยวัตถุหลายๆอย่างพฤติกรรมบาง อ่าอย่างนี้ทรงไว้แม้มันวิญญาณอย่างนี้ดีทําเสริมขึ้นหนุน จิตวิญญาณนี้ดีจิตวิญญาณนี้มีคุณมีประโยชน์ทําให้ตั้งไว้ ภาวรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอารมณ์ที่เป็นเทวดาจิตที่เป็นเทวดา มันก็เป็นอันอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสนี่ทําให้มัน แวบๆแม้แต่เอรติแม้แต่ อย่าไปละล่าอะไรไป <c oughs> เราลดลงทําลายลงให้เสื่อมให้เป็นหานิถ้ายังสมควรอยู่ รสึกก็ปรุงให้พอสมควรหน่อยปรุงน้อยไปก็ปรุงให้ไม่ไม่ ก็วิเศษอยู่วิเศษตรวจสอบอยู่เรื่อยเอออยู่อยู่อยู่ ยิ่งเจาะชำนาญมันก็เจาะเองเลยอัตโนมัติมันก็ตรวจอ่าน ก่อนจะก่อนนําโปรแกรมมีหัวมีหางอะไรโคแลมแหลมๆๆอะไรหรือ งานนี้ก็งานนี้ก็สละสลวยมีคุณค่ามัน น้อยไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นรู้น้อยเพิ่มเอาดังดัง เราเช็คเราเซ็นเซอร์แม้แต่กรรมจริง โดยแท้ก็มาจากมโนกรรมเป็นพลังงานใหญ่ เอาไอ้ๆมีผลดีๆๆๆๆ คนมีอะไรอะไรอยู่และก็ไม่มีอะไรอะไร มีแต่สรรสมบทอ่ากุศลสุปสัมปทาเพราะ ส่วนบาปแก่ เรเรเราก็มีกุศลดีไปเรื่อยๆจิตเราล่ะเรามีฐานอาศัยรู้เท่าทันจิต หวังสรรเสริญมีลามกอยู่ก็ไม่มีอารมณ์สะอาดสกิตตะ มีติดความสงบลมงับอยู่ <c oughs> ถ้าว่าเออเราทําไปแล้วดีนะฮื้ออร่อยใจจริงชื่นใจจริงมีกําลัง เออทําได้ดีก็ดีใจหน่อยก็เอ้าเออ เพราะคําว่ายินดีนี่อัธวรรณหูมาเรียกไม่ได้หมายความ กระเดชสั้นๆมาเออได้ยินดีละหรือสั้นๆลงไปก็ว่ายินดีละจบ ไม่ต้องมีอาการที่ใจมีต้องมีอารมณ์ไม่เออ ไอ้ไอ้เป็นไอ้โจรแล้วเป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาต ส limit for ได้ๆ if you can do so 閱计freeji timber is well รู้จริงๆมุทุไววไวชำชองเข้าใจเซนซิทีฟอ่อนละเอียดอ่อนยับคายเห็นรู้เพราะ ละบาปบำเพ็ญบุญน่ะละบาปทั้งปวงไม่ทำบาปทำปวง อะไรไม่ทรงอยู่อะไรจะต้องทําลายให้มันเสื่อมก็ แต่แท้จริงแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แท้จริงแล้วมันยังไม่สมบูรณ์เราจะต้องปล่อย ทำได้หนักได้ใหญ่ด้วย เช็คอยู่ดีดีดีดีนะมีแต่ตัวกุศลสุสละสุปัสสะปะถากุศลสุสละสุปัสสะปะถาใจก็เป็นอุเบกขาใจก็เป็นอุเบกขาอยู่ว่างว่าง ได้สิ่งมีมีสิ่งไม่มีก็มีแรดสิ่งมีก็ต้องมีอยู่ออกชัดไหมสิ่งมีมีสิ่งวิเศษเลยนิเพทะ ก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาเลย อะไรเล็กอะไรน้อยถึงมันไม่ดีอย่าให้มันไปมันจะสะอาดมันจะสละสลวยมัน อย่าทำอย่างประมาทมีจิตที่จะไตร่กลองทำอย่างทุก เรื่องเช็คที่เป็นคอมพิวเตอร์ชั้นละเอียดเช็คๆเพราะจิต นี่เป็นทีติฐาคิยสัญญาคือสัญญาฝ่ายดำรงอยู่นี่ เมื่อไม่หลงติดอยู่แล้วอย่างไรจะ พระนิพพานด้วยจริง เราก็ยังไม่ประมาทเราก็จะต้องมีเถิดเรา เช็คจริงๆใครมาถามเราเรายืนโอ๊ยนี่เราไม่ได้เช็คเหรอหลุดไปแล้วเหรอไอ้นั่นมันเชื้อ ถ้ามันแก้ไม่ไหวก็บอกจะทําเลยปล่อยไปก็เชื้อเรา ไอ้แต่อะไรไม่ดีโปรไปเตือนกันชี้คุ้ม แสดงทําอ่ะพอ กลายออกไปจนสุดข้าพเจ้า ท่านตะเลต้นโขมเจ้าก็ได้ฝันถึงสิ่งที่พิสดารที่ มันคงจะมีสักวันคงจะได้ค้นพบมันอย่างแน่นอนอะไรสักอย่างที่จะ เผชิญความจริงทั้งหลายอันน่าชังอำนาจ พลังอิธริต 3 คำนี้ราวกับเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าทุกประมาน้อยใจที่ สิ่งเหล่านี้คือธาตุแท้ของข้าพเจ้ามาตั้ง ไม่กลัวไปกับขี้ปากของชาวบ้านสามารถคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทุกสถานการณ์ไปกับนี่แหละปากของชาวบ้านสามารถคุมอารมณ์ของตัว คิดถึงบุคคลในฝันครั้งใดถึงบุคคลในฝันครั้งใดอติยะทอแท้ มันจะต้องมีศูนย์กลางอะไรสักอย่างที่ข้าพเจ้าจะ มันโอเวลาข้าพเจ้าจะต้องใช้เวลามโนมยิทธิๆ ได้กลับมีพลังที่โหมพัดกระหน่ำอย่างไม่หยุดยั้ง ตำรามโนมยิทธิถูกเปิดอย่างพิจารณารักฤๅษีโยคีถูกศึกษาอย่าง สิ่งที่เป็นความทุก แต่น้ําที่หอมและไม่ว่าจะเดินไปที่ใดๆเป็นลมที่กล้า ยังคงทุคยังคงโศก แม้จะเป็นเหมือนกำปั้นทุบดินแต่ข้าพเจ้าก็เริ่มเห็น ที่ไม่ควรสูญเสียไปให้กลับมาเมื่อนั้นเริ่ม บันไดสติปัญญาก็เริ่มชัดกล้าขึ้นแท้จริงพลังชีวิตถูกซ่อนอยู่ภายในสติปัญญาก็เริ่มชัดกล้าๆไปศีล กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะต้องหมั่นใช้จิตที่แข็งแกร่ง มันก็ยังไม่ใช่ตัวแท้ของการสร้าง จึงเท่ากับเครื่องดับสันดานได้อย่างดีจิตพิญาณ เริ่มเข้าใจชัดถึงสาเหตุที่พลังชีวิตของเราเข้าใจชัดถึงสาเหตุที่ทุนรอนและเวลาเวลารวมแม้ ให้กับการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยกลิ่นเสียงและสัมผัสเป็นที่สุดเกือบๆจึงทํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่หรือแม้แต่การ การน้อยงอนต่อวัตถุจิตจะเริ่มคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความรักตัวเองเพราะเมื่อตัวเองไม่ต้องพึ่งพาวัตถุมากนักถูกกําหนดลด วิธีการของสมณะผู้ทรงศีลท่านนั้นเริ่มสร้างรัก นั่นเองเมื่อลดเครื่องอุปโภคและทั้งเครื่องบริโภค กลับเป็นสิ่งที่ทําลายพลังโทสะ ก็ๆความชอบไม่ๆที่ไม่จัดจ้านจนออก ด้วยความอวดดีถือดีอวดดีถือดีความชอบที่ๆ ยังมีอีกหลายต่อหลายบทที่รออยู่แต่ข้าพเจ้าก็เริ่มข้าพเจ้า เมสสายอีกต่อไปเลิกหลงหรือแม้แต่ในโลกของเราว่าจะต้องมี คือกายยาวาหนาก็ในเมื่อเราอยากจะรู้โลกกว้างก็ตัวเรานี่แหละคือสมุดเล่มใหญ่ที่จะต้องทดลองศึกษาค้นคว้ากับจิตใจ กลับเล่งทำตัวให้เล็กลงเล็กลงจนที่สุด ท่านที่จะวิ่งเล็กลงหาพลังอันอนันต์เล่นลับนอก แสวงหาจากที่อื่นเลือดสุดตับพลังจาก ก็ได้หายไปความมั่นใจของ ข้าพเจ้าจริงๆชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีอะไรมากไปกว่า ทายใจดักใจคนอื่นได้รู้อนาคตรู้อดีต ที่อ่อนแอของข้าพเจ้าได้แต่หารู้ไม่ว่า นอกจากการยกย่องนับถือว่าเป็น ล้นเป็นกับดักเคลือบน้ําหวานที่วางหลอก ถึงว่าๆมาให้แก่ตนอีกให้แก่ตนเองๆนั่นต่าง ในสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าโโรหิตัสเที่ยวแสวงหาด้วย ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินการแสวงหาความลึกลับทําตัวเอง แทนจะมีประโยชน์อะไรจะจะมีประโยชน์อะไรรากเห่าทิ้งไปจะมีประโยชน์อะไรถ้าๆนานาที่คนไม่มีกันแต่ ข้าพเจ้าขอเลือกประการหลังๆตน เรียนรู้ทุกข์แล้วพลังอิทธิฤทธิ์ที่มานานแสนนามแสวงหาสบายไร้มายาสังหาจึง ข้าพเจ้าเลิกแสวงหาความแปลกเลิกแสวงหาความลึกลับมหัศจรรย์เพราะไม่มี และเราเท่านั้นต่างหากที่ต้องให้หรือช่วยผู้อื่นและข้าพเจ้า ต้นญาติต้นเล็กๆบนปฐพีที่ ไม่หวั่นจริงๆ16 สิงหาคมพุทธศักราช 2521 อะตะ Sadi, da labi sama. Om na moc tatadata, gautama. Om namo moc tatadata, na gautama. Sadaya zida ya Dehi zam, गंगा शांत चरित जीवन नटये सकल O que Chętę, lęk, zasada,